การทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาศึกษามาริ่มเรียนกันนี้เป็นคำจิเป็นคำสอนที่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทรงแต่งขึ้นมาเป็นความจริงทุกประการสวากขาโตภกวตาธรรมโม เป็นธรรมที่ตถาคตได้ตัดไวชอบแล้วเรื่องต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนี้เป็นเรื่องจริงมีจริงเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะเห็นได้รู้ได้เพราะเครื่องมือที่เราใช้การในในการดูความจริงของพระพุทธเจ้านี้ยังใช้การไม่ได้ยังต้องมา ทำการปรับปรุงแก้ไขคือตาในของพวกเราอยังเป็นตาบอดอยู่ยังมืดบอดอยู่มืดบอดด้วยอวิชชาโมหะอวิชชาคือมองไม่เห็นความจริงโมหะความหลงผิดเห็นความจริงกับตาลปัดเห็นสิ่งที่มี ว่าไม่มีเห็นสิ่งที่ไม่มีว่ามีเป็นต้นเราต้องมาปรับปุงตาในของเราเบื้องต้นต้องมาศึกษามาเริ่มเรียนคำสั่งคำสอนการที่เราจะริ่มเรียนอย่างไม่มีอุปสรรคไม่มีความลังเลสงสัยเราก็ต้องมีความเชื่อมัน่นว่าคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นความจริงเรื่องต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงแต่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของจิตใจ เรื่องของจิตวิญญาณที่พวกเรายัางไม่สามารถมองเห็นได้<ม>เพราะจิตวิญญาณนี้ไม่ได้เป็นรู ป, ปรธรรมเหมือนกับร่างกายจิ ต, จตวิญญาณนี้เป็นนามธรรมที่จะต้องสัมผัส ร, รับรู้ด้วยตาในคือใจที่ตอนนี้ถูกโมหะอวิชชา ความหลงความเห็นผิดเป็นชอบความไม่รู้ความเป็นจริงนี้ครอบงำอยู่เพราะขาดการศึกษาขาดการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะเปิดตาในขึ้นมาตาในก็จะเห็นสิ่งต่าง ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเห็นดวงวิญญาณของสัตว์ต่างๆเห็นภพต่างๆในตายภพเช่นกามภพรูปภพอารูปภพเห็นการเกิดการแก่เกิเห็นการเกิ ด, ก า, ก, ก, า ก, ดการตายของสัตว์ที่ไปเกิดในภพต่างๆเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของตนเอง และเห็นทางที่จะออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเป็นความจริงเพียงแต่เรายังมองไม่เห็นเหมือนตอนนี้ถ้าใครเอาผ้ามาปิดตาเราไว้แล้วเขาบอกว่าที่ศาลานี้มีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะเรามองไม่เห็น แต่ถ้าเราเปิดตาเอาผ้าที่ปิดตาออกไปเราก็จะเห็นตามที่เขาพูดทุกอย่างเขาพูดอย่างไรมีของมีอย่างไรเขาก็พูดอย่างนั้นพอเราเปิดตาดูเราก็จะเห็นตามที่เขาพูดทุกประการนี่แหละคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้ตัดสรุ้เรื่องจิตวิญญาณ รูเรื่องของดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายว่าไปเกิดในที่ต่างๆได้อย่างไรมีเหตุอะไรผลักดันให้ไปเกิดเป็นไปอบายไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรกายไปอยู่ในนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหม ไปเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเหล่านี้เป็นความจริงที่พวกเราถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะได้รับประโยชน์เราก็ต้องศึกษาความจริงเหล่านี้จากแหล่งที่เป็นของจริง แหล่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแหล่งของคำสอนที่แท้จริงไม่มีของแปลกปลอมเข้ามาในยุคสมัยของพวกเรานี้ก็มีอยู่สองแหล่งด้วยกันเดิมทีมีอยู่สามมีพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วแต่ท่านได้ฝากตัวของท่านไว้อยู่กับ พระธรรมคำสั่งคำสอนพระธรรมคำสอนนี้เหมือนกับเป็นตัวของพระพุทธเจ้าถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนที่ได้มีการจดจำและมีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกก็ถือว่าได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงแบบเนทสูตรต่างๆที่ทรงสแสดงไว้ ปมปสูตรปธรรมจากกับวัฒนสูตรที่ทรงแสดงอริยสัจสีมรรคแปดไตรักอันนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วพระภิกษุที่มาบวชก็มาศึกษาแล้วก็มาจดมาจำแล้วก็เอามาถ่ายทอดกัน มาเป็นรุ่นๆุ่นออรุ่นที่หนึ่งก็ถ่ายทอดคำสอนนี้ให้สู่รุ่นที่สองรุ่นที่สองก็ถ่ายทอดกันให้รุ่นที่สามออมีการถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา45ปีนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมไว้มากมายที่มาบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้ก็มีตั้ง 84,000 บทได้กัน มันจิอยู่ในหนังสือ45เล่มนะแบ่งเป็น3บดเรียกว่าประสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมนะคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่ได้รับการรับรองจากพระอาหารหันตสาวก500รูป3เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปพระอาหารหันต ห้าร้อยรูปก็มาประชุมรวมกันมาทำการสังคายนามาทำการทบทวนตรวจสอบหรือว่าคำสอนที่ได้มีการจดจำโดยพระภิกษุรุ่นต่างๆมาจนถึงลูกดุนในยุคนั้นว่ามีความคาดเคลื่อนตรงไหนบ้างอย่างไรเพราะพาาระอรหันนี้ท่านจะรู้ว่าผิดถูกหรือไม่ พราะพระอาหารหันต์นี้ท่านเป็นผู้รู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้พระพุทธเจ้ารู้มรรคแปดว่าเป็นอย่างไรพระอาหารหันตสาวกก็รู้เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้ว่าอริยสัจ ส, สี่เป็นอย่างไรพระอาหารหันตสาวกก็รู้เหมือนกันแล้วมีถึงห้าร้อยรูปด้วยกันที่มารับประกันมารับรองให้พระที่ท่องจำพระสูตร ต, ต่างๆ ท่องออกมาแล้วถ้ามีใครทักก็มาตรวจสอบกันดูเช็คกันดูแล้วก็ม า, ามายืนยันว่ า, าถูกหรือไม่ถูกผิดหรือไม่ผิดผิดก็แก้ให้ถูกดังนั้นพวกเรานี้มีความเชื่อมั่นได้ถ้าเราได้ศึกษาจากพอไตผิดก นี่คือแหล่งหนึ่งแหล่งที่เราสามารถจะได้ข้อมูลคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงทุกประการพระสูตรต่างๆที่เราได้ยินพระท่านสวดกันธรรมจักรกับประวัตนสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลลสูตรการละมสูตร ประสูนย์เหล่านี้เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำนั้นที่จะสอนให้เรารู้เรื่องราวต่างๆที่เราไม่รู้กันที่เราจะได้เอาเรื่องราวต่างๆที่เราได้รู้นี้มาทำประโยชน์ให้กับเราเพราะตอนนี้เรายังมีปัญหาอยู่กับตัวเราปัญหาของตัวเราก็คือความทุกข์ สองปัญหาที่เราไม่รู้ว่าเป็นปัญหาก็คือการเวียนว่ายตายเกิดของเราพวกเราบางคนเกิดมายังไม่รู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันคิดว่าเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราตายไปเดี๋ยวร่างกายตายไปชีวิตเราก็สิ้นสุดลงเรียกว่าตายแล้วศูนย์ บุญบาปที่เราทําไว้ไม่รู้ใครเป็นผู้ไปรับผลบุญ ผ, ผ, ผลบาปผลของบุญที่อยู่สวรรค์นี้สวรรค์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ผลของบาปคือนรกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นแต่ถ้าได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้เรียนรู้พระพุทธเจ้า ส, สอนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายน ร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นเจ้านายของร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนยวันนี้เราจะมาที่นี่ได้เราต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้จะมาวาัดกันพอคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายพามาเนี่ยตอนนี้เรามากับร่างกาย ร่างกายเป็นผู้พาเรามาแต่เราไม่รู้ว่าเราถูกร่างกายพามาเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ความจริงเราเป็นเหมือนกับคนขี่ร่างกายเหมือนกับคนขี่ม้าคนขี่ม้ากับม้านี่เราเห็นชัดว่าเป็นคนละคนกันแต่คนขี่ร่างกายนี่เรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ร่างกาย เพราะคนขี่เป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแต่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายพามาเป็นผู้สอนเป็นผู้ฝึกหัดให้ร่างกายเดินได้ยืนได้วิ่งได้ทำอะไรต่างๆได้ตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆตอนที่เร า, เราได้ร่างกายมาใหม่ๆเราต้องมาสอนร่างกาย ให้รู้จักยืนรู้จักเดินรู้จักวิ่งรู้จักทําอะไรต่างๆผู้ที่สอนนี้ก็คือเรานะคือใจไม่ใช่ร่างกายถ้าเราไม่สอนร่างกายมันก็จะไม่รู้จักยึเดินจากยืนจากวิ่งจากทําอะไรได้เรานี่แหละคือใจผู้รู้ผู้คิดแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้สึก ต่างๆที่เกิดจากการกระทาของร่างกายเวลาทให้สั่งให้ร่างกายทำความดีใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเวลาสั่งให้ร่างกายทำอะไรไม่ดีเรียกว่าทำบาปใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาร่างกายไม่ได้รับผลแต่อย่างใดทำดีร่างกายก็เหมือนเดิม ร่างกายก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยจากการทำความดีทำบาปร่างกายก็ไม่ได้เจ็บได้ป่วยจากการทำความดีทำดีร่างกายก็ไม่สดชื่นไม่แข็งแรงมากขึ้นก็ไม่เกิดผลดีผลเสียที่เกิดจากการกระทำนี้มันตรงไปที่ใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่แหละคือเรื่องของ กฎแห่งกรรมคือเรื่องของการกระทาของใจผ่านทางร่างกายใจนี่แหละเป็นผู้รับผลของการกระทาของใจผ่านทางร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทำของใจอาจจะติดร่างแห่ไปเพราะว่าเวลาไปทำบาปไปทำผิดกฎหมาย เขาก็ต้องมาจับร่างกายไปลงโทษแต่ผู้ที่ถูกลงโทษก็คือใจที่ติดอยู่กับร่างกายพอจะไปขังคุกขังตารางใจก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาถูกกักขังนี้ร่างกายมันไม่เดือดร้อนต่างกายอยู่ที่ไหนมันเหมือนเดิม ขอให้มันเดือดร้อนตรงที่มีข้าวกินหรือไม่มีข้าวกินนั่นเองถ้ามันมีข้าวกินอยู่ในคุกมันก็ไม่เดือดร้อนอผู้ที่เดือดร้อนคือใจเพราะว่า พ, พอร่างกายติดคุกใจก็ต้องติดคุกไปกับร่างกายใจจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปทำอะไรตามที่เคยทำก็ทำไม่ได้เพราะร่างกายไปติดคุกแต่ก็ต้องจับร่างกายเพราะ เขามองไม่เห็นตัวใจแล้วเขาก็คิดว่าตัวใจก็คือตัวร่างกายคนเราในโลกนี้ทุกคนคิดว่าร่างกายกับใจนี้เป็นอันเดียวกันอยู่ที่เดียวกันเป็นคนเดียวกันผู้คิดกับผู้กระทานี้เป็นคนเดียวกันอยู่อยู่ที่เดียวกันแต่ความเป็นจริงแล้วอยู่คนละที่เป็นคนละคนแต่ถ้าเรา ไม่ได้เปิดตาในออกมาเราจะมองไม่เห็นใจผู้รู้ผู้คิดเพราะใจนี้ต้องเห็นด้วยการปฏิบัติต้องมีการนั่งสมาธิทำใจให้สงบถึงจะสามารถที่จะเห็นใจที่แยกออกจากร่างกายได้ออตอนนี้ใจ มาเกาะติดกับร่างกายเหมือนกับมาเหมือนกับคนขีม่ม้าใจมาใจมีกระแสรับรู้กระแสรับรู้นี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้จะมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายพอลืมตาขึ้นก็จะเห็นรูป พอมีเสียงเข้ามากระทบกับหูมันรูปกับเสียงก็จะวิ่งไปตามกระแสของดุวินของวิญญาณวิญญาณนี้เป็นเหมือนสายไฟที่เราเชื่อมต่อระหว่างหลอดไฟกับปลั๊กไฟเวลาเรามีหลอดไฟเราจะติดไฟเรามีสายเราก็เสียบสายไว้ที่ปลั๊กไฟ ไฟที่อยู่ในปลั๊กก็จะวิ่งเข้ามาที่หลอดไฟทันทีไฟก็จะติดขึ้นมาอ่านใดอ่าวิญญาณที่มาเกาะติดกับตาหูจมูกลึ้นงกายก็เหมือนกับอ่มาเสียบปลั๊กไว้ที่ที่ที่ฝาผนังที่มีไฟฟ้าอยู่ในฝาผนังอพอวิญญาณมาเสียบปลั๊กไว้ที่ตา ก็จะรับรูปเพราะตาจะเป็นที่ที่เข้ามาของรูปต่างๆภาพต่างๆรูปภาพต่างๆ ต, ต้องเข้ามาทางตาทางเดียวเสียงก็ต้องเข้ามาทางหูทางเดียวเสียงไม่เข้ามาทางตาถ้าเปิดตาแล้วปิดหูจะไม่ได้ยินเสียงถึงแมจะมีเสียงก็จะไม่ได้ยินเสียงจะเห็นแต่ภาพ ถ้าปิดตาแล้วเปิดหูถึงแม้จะมีภาพให้เห็นก็มองไม่เห็นเพราะหูรับภาพไม่ได้หูรับแต่เสียงตารับแต่รูปภาพจมูกรับแต่กลิ่นลิ้นรับแต่รสต่างๆแล้วร่างกายก็รับปุถะพระคือสัมผัสที่มากระทบกับร่างกายเช่นอากาศหนาวเย็น หร <ห along, S 1> ือของเปียกของแห้งของนุ่มของแข็งที่มาสัมผัสก in ับร่างกายพอมาสัมผัสปั๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปทางสายวิญญาณนี้ทันทีสายวิญญาณนี้เป็นเหมือนสายไฟก็จะส่งไปที่ใจผู้รับรู้ทันทีวิญญาณนี้เป็นผู้รับสะรับรูปรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายแล้วส่งไปให้ใจ ที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่อีกที่หนึ่งที่อยู่ของใจเราเรียกว่าโลกทิพย์เนะี่ยโลกทิพย์โลกของจิตวิญญาณส่วนร่างกายที่อยู่ในโลกกทาดเนีย่ยโลกที่ร่างกายอยู่ในขณะนี้เราเรียกว่าโลกกทานเพราะเป็นโลกของธาตุสี่เนี่ยโลกนี้มีอยู่สี่อย่างมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ทีมารวมกันแล้วก็ทำให้เกิดต้นไม้ใบหญ้าเกิดร่างกายต่างๆขึ้นมาร่างกายเหล่านี้มีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟเป็นส่วนประกอบถึงปั้นร่างกายนี้ขึ้นมาเหมือนกับเราปั้นตุ๊กตาเนี่ยเราต้องไปหาดินเหนียวมาแล้วก็ต้องมีน้ำผสมให้มันนิ่มแล้วจะได้มาปั้นให้มันเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วเราก็เอาไปเผาไฟให้มันแข็งเป็นตุ๊กตาก็ต้องใช้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราก็ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราเรียกร่างโลกนี้เป็นโลกกระทาเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรมีเพียงธาตุสี่เท่านั้นเองถ้ามองไปจริงๆแล้วถ้าศึกษาไปจริงๆแล้วจะเห็นว่า ลงนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแค่ธาตุสี่มีแค่ดินน้ํำลมไฟร่างกายของเราก็ทํามาจากดินน้ํำลมไฟไมโครโฟนอันนี้ก็ทํามาจากดินบ้างนาน้ําบ้างลมบ้างไฟบ้างเวลาผลิตสินค้าแต่ละชนิดนี้มักจะต้องมีทั้งดินทั้งน้ําทั้งลมทั้งไฟมาประกอบมันถึงสามารถที่จะอะแปลงดินให้มาเป็น สินค้าชนิดต่างๆได้แปลงดินน้ำลมไฟมาให้เป็นสินค้าชนิดต่างๆเงั้นถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแค่ธาตุสีดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองแต่ใจของเราที่มาเกาะติดกับร่างกายาแล้วมารับรู้<ๆ>เห็นสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ เราบเราไม่ได้ศึกษาว่ามันเป็นอะไรเราก็เลยไปสมมุติกันขึ้นมาตั้งชื่อต่างๆขึ้นมาตั้งชื่อว่าต้นไม้ใบหญ้าตั้งชื่อว่าสัตว์ต่างๆมีชื่อนกมีชื่ออย่างนั้นสัตว์ชนิดนี้เรียกว่านกสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าปลาคนที่เดินก็เรียกว่ามนุษย์มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ แล้วก็เติมไปต่อไปสมมติกันไปว่าเป็นมีชื่ออะไรมีนามสกุลอะไรครอบครัวสูงหรือต่ำรวยหรือจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาซึ่งของเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่เราสมมติกันขึ้นมาทั้งนั้นเราสมมติขึ้นมาเพื่อเราจะได้ออ เวลาคุยกันพูดกันจะได้รู้ว่าเราพูดถึงใครถ้าเราบอกไอ้นี่ก็ธาตุสีไอ้นั่นก็ธาตุสีเดี๋ยวไม่รู้ว่าพูดถึงใครวันนี้เจอธาตุสีวันนี้เจอธ si. าตุสีห้าห้าธาตุสีก็เลยไม่รู้ว่าพูดถึงใครกันแน่ะเพราะมันธาตุสีทั้งนั้นอ่ะมีใครไม่เป็นธาตุสีบ้างเจอหมาก็ธาตุสีเจอแมวก็ธาตุสีเจองูก็ธาตุสีเจออะไรมันเป็นธาตุไปหมด การที่จะทำให้เราคุยกันรู้เรื่องเพราะเราชอบคุยกันชอบสื่อสารกันถ้าทำความรู้จักกันเราก็เลยต้องมาตั้งชื่อกันเห็นไหมเวลาเราไปประชุมที่ไหนเนี่ยไปประชุมที่ที่เราไม่รู้จักกัน mm hmm. เขายัางต้องเอาชื่อเรามาแปะไว้ที่ mm hmm. หน้าอกเราเลยมีป้ายแปะไว้ mm hmm. เวลาเจอกันเขาไม่มองเราเขามองที่ป้ายให mm hmm. ้ชื่ออะไร ดีไม่ดีมียศมีตำแหน่งอะไรเขาก็ใส่เขา้าไปด้วยแต่เหล่านี้มันเป็นสมมุติทั้งนั้นอ่ะมันเป็นของที่เราตั้งกันขึ้นมาไม่ใช่เป็นของแท้จริงของแท้จริงนี้ก็คือธาตุสีทั้งนี้ร่างกายของพวกเราเราเรียโลกนี้ว่าโลกกระทัดเราหาอะไรมาได้มากน้อยเพียงไรมันก็เป็นธาตุสีทั้งนั้นอ่ะ หาเงินมาร้อยล้านพันล้านมันก็เป็นธาตุสีหาอะไรมามันก็มาจากธาตุสีทั้งนั้นแล้วก็หามาได้มากน้อยเพียงไงเดี๋ยวพอให้ธาตุสีคือร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือหาเรื่อต่างๆมาให้เรานี้พอมันไม่หายใจของทั้งหมดก็เราก็เอาไปไม่ได้เลยพอร่างกายนี้มันหยุดหายใจปั๊บ มันไม่สามารถสั่งมันไม่สามารถส่งรูปเสียงกียรติลดกลับมาที่ใจได้แล้วใจไม่สามารถติดต่อกับร่างกายได้ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไปเอาเงินทองที่ได้หามานี้เอามาให้ใจมันไม่มีที่ส่งไปให้ธาตุสีนี้มันเข้าไปในโล ก, กทานไม่ได้ในในโลกทิพย์ไม่ได้โลกทิพย์กับโลกกทานนี้ ถึงแม้จะมีการเชื่อมต่อกันแต่จะไม่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างสองโลกนี้สินค้าต่างๆที่มีอยู่ในโลกกระทานเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่พวกเราหากันมาถ้าเป็นแทบตายยาฆ่าฟันกันเป็นผักเป็นเบือก็เพื่อหาทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านี้แต่พอตายไปก็ไม่มีใครเอาไปได้สักคนน เป็นสมบัติของโลกนี้อถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้เห็นความโง่เขลาเบาปัญญาของใจเราว่าเรากําลังหาอะไรกันเราหาอะไรเราก็หาธาตุสีแล้วเวลาร่างกายที่เป็นธาตุสีมันตายไปของที่เราหากันมาถ้าเป็นธาตตายเราก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อ ไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเรามีความอยากที่ยังต้องใช้ร่างกายนี้หารูปเสียงกินรดเหมือนที่เราหากันอยู่ในขณะนี้อยู่ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆมาเกิดในโลกธาตนนี้มามีร่างกายแล้วพอมามีร่างกายมันก็เราก็ใช้ร่างกายให้ไปหา อะไรต่างๆที่เราอยากได้ทีนี้การหามันก็มีหาได้สงแบบหาแบบไม่ทำบาปกับหาแบบทำบาปถ้าเราหาแบบทาไม่ทำบาปได้เราก็ไม่ไม่ทำบาปแต่ถ้าหาแบบไม่ทำบาปไม่ได้แต่เรายังอยากได้เราจะทำอย่างไรถ้าเราอยากได้เราก็ต้องทำบาป ก, กันนี่เราจึงทำไมถึงในโลกนี้จึงมีคนทำบาป ก, กัน มีคนไม่ทำบาปกันเพราะคนไม่ทำบาปเขาโชคดีเขาสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปหรือเขามีความยับยั้งจิตใจว่าเขาเห็นว่าการทำบาปนี้ไม่ดีเขาก็ไม่ทำถึงแม้ว่าอยากจะได้อะไรแต่ถ้าได้โดยที่ไม่ทำบาปไม่ได้เขาก็ไม่เอาดีกว่าเขาอยาอม อ, อยู่แบบอดอยากขาดแคลน แต่เขาไม่อยากจะทำบาปเพราะเวลาทำบาปเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้ก็มีแต่บางคนนี้อยากได้มากๆจนกระทัง่งต้องต้องยอมทำบาปเพราะทนกับความอยากได้ไม่ไม่ไหวเพราะความอยากได้มันก็สร้างความไม่สบายใจให้กับใจเหมือนกันพอได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมามันก็ดีใจความอึดอัดไม่สบายใจ ก็หายไปแต่ไม่ได้มองต่อไปว่าความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาปมันจะตามมาต่อไปนี่คือทำไมเราถึงมาเกิดแล้วเรามามีการทำบาปกันเพราะเรามีความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทำบาป เราก็ต้องใช้วิธีทำบาปกันในงานเรารู้สึกจะรู้สึกไม่มีความสุขนั่นเองเห็นเขามีรถเราไม่มีรถอย่างนี้เห็นเขามีแฟนเราไม่มีแฟนเห็นเขามีเงินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราไม่มีเงินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกอาภัพวาสนารู้สึกไม่มีความสุขใจ เราก็อยากจะทำแบบเขาบ้างแต่ทำแบบโดยไม่ทำบาปไม่ได้เราก็เลยไปทำบาปบางทีก็ไปลักขโมยรถนะรถใครจอดอยู่ก็หาวิธีเปิดเข้าไปประตูสตาร์ทรถที่นี้มีรถขับแล้วสิไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องซื้ออยากจะไปไหนก็ไปได้นีอยากซื้อข้าวซื้อของก็ ที่ไหนมีเงินใครก็เพิเก็บเงินไว้ที่ไหนเราไปดูที่เก็บเงินของเขาดูกว่ากุญแจเขาเก็บไว้ที่ตรงไหนพอเขาเพิอเราก็ไปเปิดตู้เอาเงินของเขาไปใช้เอพอเราได้ใช้เงินเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาได้ทําตามความอยากของเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้คือ เหตุที่ทําให้เราทําบาปกันก็เพราะว่าความอยากอยากมีความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปที่นั่นที่นี่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอะไรต่างๆของบางอย่างมันต้องเสียเงินถึงจะได้ ของฟรีบางทีมันไม่มันไม่อร่อยมันไม่สนุกเหมือนกับของเสียเงินเลยต้องหาเงินมากันเพื่อที่จะได้มาซื้อของที่เราคิดว่าอร่อยคิดว่ามันสุกนี่คือทำไมคนยังมีการทำบาปกันย า, ยายไม่สบายนะ ขยับก็มาก็ได้นะฝนตกก็ขึ้นมาแต่ย่าส่งเสียงนะส่งเสียงเพราะเวลาพูดธรรมแล้วพอมันมีเสียงแล้วมันมาทำลายสมาธิพูดอะไรแล้วบางทีมันลึกไม่ออกพอมีเสียงอื่นมันมามาดันความคิดไว้เวลาฟังธรรมมันต้องไม่มีความคิดมาลบกวนไม่งั้นเดี๋ยวบางที เหมือนกับมีอะไรมามาปิดมาปิดก๊อกเน่ก๊อกนะก็คือความคิดนะพอมีอะไรมาอุดปับ๊บเนี่ยความคิดมันก็จะไม่ไหลออกมาก็เลยจำเป็นที่จะต้องอเวลาพูดเวลาฟังเทศน์นี้ต้องสงบสงบกายสงบวาจาถึงจะสามารถที่จะพูดที่จะฟังได้ ให้เป็นรสเป็นชาติเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามนี่คือพูดถึงเรื่องเหตุที่ว่าหนึ่งทำไมเราจึงมาเกิดกันทำไมเราต้องมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะเรายังมีความอยากหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเรานั่นเองอาภาษาพระ้าเรียกว่ากามตัณหาความอยากหาความสุขจากกามคุณหา้า การมาคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะนอกจากความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วยังอยากมีอยากเป็นเนี่ยมาอยู่ในโลกนี้เขาก็มีสมมติกัน่ะมีมีตำแหน่งสูงมีตำแหน่งตำ่ำคนที่มีตำแหน่งสูงก็จะมีอำนาจามีพลังมีคำมีกำลังที่จะว้านเอาสิ่งต่างๆที่อยากได้ ง่ายกับคนที่ไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งนะก็เลยทำให้คนที่อยากมีรูปเสียงกิ่รสมากๆสะดวกสบายก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันพอเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากได้อะไรก็เหมือนชี้นิ้วไปปั๊บมันก็วิ่งมาเลยชี้นกก็นกก็วิ่งมาชี้ฟ้ามันฟ้าก็มาหาเลย เพราะอำนาจของความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็เลยมีความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่หรืออยากร่ํารวยเหมือนกันร่ํารวยก็สามารถในลมิตอะไรต่างๆได้ทันทีเนี่ยตอนนี้อยากจะซื้อรถสิบล้านก็โทรไปบอกที่ร้านเดี๋ยวนี้ให้เอามาหนึ่งคันเนี่ยถ้ามีเงินจ่ายเดี๋ยวมันก็วิ่งมาแล้วเนี่ย หรือถ้าไม่มีเงินแต่มีอำนาจสั่งปั๊บเดี๋ยวก็มีคนจัดการหามาให้เองถ้าอยากจะได้รถสิบล้านสักคันหนึ่งเดี๋ยวคนที่ที่รับใช้ที่คอยรับใช้เขาก็จัดการไปหามาให้เองคนมีอำนาจคนมีเงินจึงมีพลังในการที่จะกอบโกยรูปเสียงกิิ่นรถชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับตนเอง เลยทำให้นอกจากมีกามาพอมีกามาตันหาแล้วก็ดันให้ต้องไปมีภาวะตันหาต่อคือมีความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากล่ำอยากรวยกันพอจะได้ใช้อำนาจใช้เงินทองนี้ไปกอบไปโกยเอารูปเสียงกลิ่นรต่างๆมาให้มาให้เศษมาให้สัมผัสอย่างตลอดเวลาที่ต้องการแล้วพอมีอำนาจมี กำลังที่จะกอบกอยเอารูปเสียงกินเล่มันก็มีความอยากอีกอย่างตามมาคือความอยากไม่สูญเสียอำนาจนั่นเองอันนี้เราก็เรียกว่าวิภาวะตานหาความอยากไม่สูญเสียอำนาจไม่อยากสูญเสียเงินทองไม่อยากสูญเสียร่างกายที่เป็นเครื่องมือก็คือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย เพราะถ้าแก่ถ้าเจ็บถ้าตายแล้วถึงแม้จะมีอำนาจล้นฟ้ามีเงินทองล้นกองเท่าภูเขาถ้าร่างกายมันสั่งการไม่ได้มันก็จบถ้าร่างกายมันป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลมันพูดไม่ได้จะไปสั่งการอะไรได้แล้วสั่งมาก็เอามาใช้ไม่ได้จะอยากจะดูอะไรก็ดูไม่ได้อยากจะฟังอะไรก็ฟังไม่ได้ก็เลยมีความอยาก ชนิดที่สามโผล่ตามมาเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีไม่เป็นตอนต้นอยากมีอยากเป็นก่อนพอได้แล้วก็ไม่อยากให้มันเสียไปไม่อยากเสียในสิ่งที่เราได้มาไม่อยากเสียตำแหน่งใช่ไหมใครเป็นใหญ่แล้วบีอยากจะลงมาไม่จากเก้าอี้อยากจะกอดเก้าอี้นั่งติดเก้าอี้ไปนานๆถ้าเปลี่ยนก็ต้องเป็นตัวใหญ่กว่าเก่า ถ้ามาเปลี่ยนเป็นตัวล็กก็ไม่เอาเพราะร่างกายมันใหญ่เกินไปแนละ้วนั่งตัวแรกก็มันมันไม่ไม่พอนั่งเสียแล้วนี่ก็เลยทำให้เกิดความอยากชนิดที่สามขึ้นมาเรียกวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณ ห, หาคือความอยากไม่ไม่เสียสิ่งที่เรามีไปไม่อยากจะเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่อยากจะเสียอำนาจ ไม่อยากจะเสียร่างกายไปแต่ความอยากเหล่านี้มือนเป็นตัวที่มาทำให้ใจเราไม่สบายกันสังเกตดูเวลาวันไหนเราเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจเราจะกระวนกวายกระสับกระส่ายจะวิตกจะกังวลเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะได้ตามที่เราอยากได้หรือเปล่า ไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นตัวที่มาทำลายความสุขต่างๆที่เราหากันมา้าเป็นธาตุตายแล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีกาจัดได้ตัวนี้กันต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิบดีก็ยังเจอไอ้ตัวนี้กันทุกคนมีความทุกข์ใจไม่สบายใจอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงกับไอ้ตัวนี้ วิธีทำก็ทำผิดคิดว่ามันอยากก็ต้องทำให้มันหายอยากก็คือทำตามมันพอมันอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวตามที่มันอยากพอได้เที่ยวความอยากเที่ยวก็หยุดไปชั่วคราวตอนที่ไปเที่ยวก็สนุกเพลิดเพลินเพราะความอยากเที่ยวมันหยุดแล้วมันได้เที่ยวแล้วมันก็ไม่ได้อยากอทีนี้มันก็อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยพอเที่ยวเสร็จมันก็เบื่อนี่นก็อยากกลับบ้านาก็กลับบ้าน พอกลับบ้านแล้วเดี๋ยวอยู่บ้านสั้งฟ้าก็เบื่อกล่ะเดี๋ยวอยากจะไปเที่ยวใหม่กล่ะพออยากจะไปเที่ยวใหมก่ก็ต้องไปเที่ยวอีกพอถ้าไม่ได้เที่ยวเดี๋ยวมันก็ไม่สบายไม่ไม่สบายใจอีกมันก็จะทําตามความอยากไปเรื่อยๆแล้วมันจะต้องไปสะดุดเข้าวันหนึ่งเวลาอยากจะทําความอยากแล้วมันทําไม่ได้เชจนร่างกายแก่ไปไม่ไหวเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ เครื่องมือที่ใช้เงินทองไม่พอใช้จะไปเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทีนี้ไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ใจมันก็เกิดแต่ความทุกข์อยู่ในใจเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาเกิดอาการเบื่อหน่ายต่อชีวิตบางทีเบื่อมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่พวกเรา ไม่เห็นโทษของมันเราเห็นแต่คุณของมันเพราะเราเห็นว่าอยากได้เงินพอเาหาเงินได้เงินมาเราก็มีความสุขกันเราก็เลยคิดว่าความอยากนี้เป็นตัวที่เป็นตัวผักดันให้เราไปหาความสุขต่างๆแต่ในมุมกลับเรามองไม่เห็นว่าเวลาที่เราไม่สามารถที่จะตอบสนองความอยากของเราได้ ตอนนั้นนะ่ะความสุขมันจะไม่มีมันจะมีแต่ความทุกข์ความทรมานใจความหงุดหงิดน้ำคาญใจความอะไรต่างๆที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจจนถ้าเป็นมากๆมันก็ถึงกับย้าฆ่าตัวตายได้เพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปแต่ละวันอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปทำนู่นทานี่ก็ทำไม่ได้ ปล่อยให้อยู่แบบคนแก่อยู่แบบคนเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้ก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าทุกข์มากๆไม่รู้จักวิธีระบายไม่รู้จักวิธีกำจัดก็คิดว่าฆ่าตัวตายดีกว่าอยู่ไปมันทุกข์ตายมันดีกว่าตายมันทุกเดียวเดียวทุกตอนแค่ตอนตายพอ<ม>ตายแล้วก็ความทุกข์ที่ต้องทรมานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็หายไป นี่คือสาเหตุที่ทำให้คนเราในที่สุดก็ต้องมาฆ่าตัวตายกันหรือถ้าอยู่ก็อยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบซึมเศร้านี่คือผลของการที่ใจไม่รู้จักความจริงของการหาความสุขให้กับใจว่าหาอย่างไรถูกความโง่คือความไม่ฉลาดของตนเองที่ อาจจะเห็นตัวอย่างของคนอื่นเขาทำกันก็เลยทำตามเขาเห็นคนอื่นเขาหาเงินก็หาเงินตามเขาเห็นคนอื่นเขาหารูปเสียงกลิ่นรสก็หาตามเขาแล้วก็เลยไปเจอกับปัญหาในบ้านปลายหรือบางทีไม่ถึงบ้านปลายบางทีเกิดอุปสรรคอะไรต่างๆขึ้นมาแบบไม่คาดฝันก็มีร่างกายอาจจะเป็นอะไรพิกลพิการตั้งแต่ยาววัยก็มี หรือเงินทองที่หาได้กับหาไม่ได้ก็มีหรือเงินทองที่มีหมดไปก็มีพอมันขาดปัจจัยเหล่านี้ที่ใช้ในการหาความสุขผ่านทางร่างกายพอมันไม่สามารถหาได้มันก็จะต้องเจอแต่ความทุกข์ต่างๆนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นมีมีความอยากที่มันฝังอยู่ในใจที่เคยที่เคยเป็นอย่างนี้มายาวนานใจของเรานี้ไม่มีวันเกิดนะพระพุทธเจ้าเคยย้อนไปดูวันเกิดของใจนี้ว่าเกิดเมื่อปีเท่าไหร่ย้อนไปกี่ล้านปีมันก็ยังไม่เจอวันเกิด แล้วเลิกชาติไปแล้วไ ม, ไม่ไม่รู้กี่ล้านชาติมันก็ยังไม่เจอวันเกิดของใจเจ้านที่สุดโต้งก็บอกว่าเสียเวลาไปหาวันเกิดของใจเพียงแต่ให้รู้ว่ามันมีอายุเยืนยาวนานมากอย่างอย่างน้อยถ้าอยากจะรู้ว่าใจนี้มาเกิดกี่ครั้งก็ให้เอาน้ําตาที่เวลามาเกิดแล้วมาหลังในแต่ละครั้งเนี้ทุกคนมาเกิดนี้ต้องร้องไห้กันใช่ไหม เอาน้ำตาที่เราร้องไห้นี้มาเก็บไว้ในขวดนะแล้วท่านบอกว่าเอามารวบรวมกันนะถ้าจานวนของน้ำตาที่เราเคยหลั่งมาแล้วเนี่ยถ้ามารวมกันเนี่ยท่านบอกว่ามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรก็คิดดู่ะเราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มาร้องไห้กันใี่กี่แสนล้านครั้งด้วยกันถึงจะได้น้ำมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นหละคือระยะ เวลาของจิตใจของพวกเราอายุของจิตใจของพวกเราที่เราพอจะประมาณได้จากการดูน้ำตาที่เรามามาหลังกันในแต่ละภพแต่ละชาตินี่แหละคือความโง่เขาเบาปัญญาของใจที่ไม่เคยเอกใจเวลาที่มาเกิดแต่ละครั้งว่าเกิดมาแล้วทาไมต้องมาเจอความทุกข์ทั้งๆ ท, ที่พยายามหาความสุข แล้วทำไมความสุขที่หามาได้มันทำไมเราถึงรักษามันไว้ไม่ได้ทำไมไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็หายไปในมีนานๆจะมีคนเจรจาอย่างพระพุทธเจ้าสักคนหนึ่งที่มาคิดมาศึกษาถึงปัญหานี้ว่าทำไมเราจึงไม่สามารถรักษาความสุขต่างๆที่เราหาได้ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติ ของความสุขที่เราหากันนั่นเองธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราหากันมาให้ความสุขกับเรามันเป็นของชั่วคราวตะเกว่ามันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันเกิดแล้วมันก็ดับยกตัวอย่างดูดอกไม้เห็นไหมดอกไม้เวลามันบานนี่เราเห็นแล้วสวยเห็นมันแล้วมีความสุขใจ เราตัดมาใส่แจกันบูชาพร ะ, ะเดี๋ยวสองสามวันมันเฉาเถอะลทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งนี้มันมันเหี่ยวมันกลายเป็นของที่ไม่น่าดูไปเสียแล้วแต่ละทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสวยมันงามที่มันดูแล้วชื่นอกชื่นใจนี้เหมือนดอกไม้ทั้งนั้นแหะ ในที่สุดมันก็จะต้องเฉาตายไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามของทุกอย่างที่เราไม่อยูนะ่เวลาซื้อออกมาจากร้านใหม่ๆนี่หมายเอี่ยมเลยล้วดูสักห้าปีสิบปีดูกลายเป็นอะไรไปละกลายเป็นเศษขยะไปก็มีเยอะแยะไปนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ศึกษากันไม่คิดกันนะว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เรา คิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่ยมันให้ความสุขกับเราเพียงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดแต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรหมดเราก็หาใหม่ได้ก็หาไปบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เช่นเงินบางทีมันหมดแล้วมันจะหาใหม่บางทีมันก็หาไม่ได้ ม, ไ ม, มันไม่มันไม่ง่ายเหมือนกับไปขุดดินตามข้างถนนดินหมดเมื่อไรก็ไปขุดได้ดินมีเยอะแยะไป แต่เงินนี่มันไม่เหมือนดินกว่าจะได้สักครั้งหนึ่งมันเหน็ดมันเหนื่อยพอเราเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถหาเงินมาซื้อความสุขต่างๆได้ความสุขทีนี้มันก็ไม่มาแล้วสิทีนี้มันก็มาแต่ความทุกข์นะ <c oughs> คิดว่ามาเกิดมาในโลกนี้เพื่อมาหาความสุขงางมาเจอความทุกข์กันแล้วนอกจากนั้นยังมีตัวปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกก็คือตัวร่างกายของเราเนี่ ร่างกายของเราเราต้องมีร่างกายเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกทีหนึ่งด้วยใช้ร่างกายหาเงินหาทองได้เงินได้ทองมาก็ไปซื้อความสุขต่างๆทีถ้าเกิดร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายจะทำยังไงมันก็หาไม่ได้อีกละ mm hmm. พระพุทธเจ้าก็เลยมาสรุปเห็นว่าวิธีการหาความสุขแบบของที่พวกเราหากันนี้ มันต้องเจอความทุกข์ในที่สุดนะไม่ช้าก็เร็วทุกคนไม่มียกเว้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กต้องเจอปัญหาแบบเดียวกันเกิดเจอความทุกข์เจอกับการที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าใช่ไมมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมีภาษาสามฤ ด, ดูมี นางสนมกานันมีบริษัทบริวารมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่สามารถบรรดารูปเสียงกิจรสชนิดต่างๆให้เสพได้ตลอดเวลาแต่พอวันหนึ่งประทรงไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายขึ้นมาก็สะดุ้งขึ้นมาไม่เคยคิดว่าตนเองจะแก่จะเจ็บจะตายเ พ, พ, พ, พราะพระพระราชบิดาห้ามไม่ให้เอาคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวัง ไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นความเป็นจริงของร่างกายเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยโง่ใะทั้งที่เป็นคนฉลรดแต่พอไม่มีอะไรมากระตุ้นปัญญามันก็เลยกลายเป็นคนโง่ไปไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายเพราะไม่มีหนังตัวอย่างให้ดูแต่พอเอาไปนอกวงังไปเห็นหนังตัวอย่างของร่างกายของตนว่าต่อไปจะต้องเป็นแบบนี้เึ็น ก็เลเกิดความไม่สบายใจเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาแต่ก็โชคดียังไปเห็นนักบวชแล้วก็ไปได้เรียนรู้ว่าพวกนักบวชนี้เขาเป็นพวกที่จะไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยังสามารถหาความสุขได้คือได้หาความสุขทางใจ พระองก็เลยทรงตัดสินใจว่าความสุขทางร่างกายนี้มันต่อไปจะกลายเป็นความทุกข์อย่างแน่นอนก็เลยหนีไปบวชหนีไปอยู่แบบนักบวชเพื่อไปเรียนรู้วิธีหาความสุขทางใจกันแต่สมัยนั้นพวกนักบวชเขาก็สามารถหาวิธีหาความสุขทางใจได้แบบชั่วคราวคือแบบนั่งสมาธิ เวลานั่งสมาธิใจสงบใจไม่คิดถึงเรื่องของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรตอนนั้นใจไม่เดือดร้อนใจจะสงบจะมีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมามาต้องมาอยู่กับร่างกายถ้าร่างกายเจ็บก็จะไม่สบายใจร่างกายแก่ทําอะไรลําบากก็ไม่สบายใจแล้วถ้ารู้ว่าจะตายก็จะไม่สบายใจสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทําอย่างไร เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาออกมาอยู่กับร่างกายแล้วทำทำให้ใจไม่ทุกข์ได้หรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรพอจากสมาธิมาความสุขที่ได้ก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายก็จะเข้ามาทันที เห็นความแก่ก็ไม่สบายใจเห็นอยู่กับความแก่ก็ไม่สบายใจไม่มีความสุขอยู่กับความเจ็บไข้ก็ไม่มีความสุขคิดถึงเวลาจะตายก็ไม่มีความสุขตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงกับความแก่ความเจ็บกานตายพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาไปค้นคว้าหาด้วยตนเองพอไปศึกษากับอาจารย์ทุกรูปที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ไม่มีใครรู้ รู้เพียงแต่วิธีทำให้ใจสงบสบายไม่ทุกข์กับร่างกายต้องเข้าไปในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วยังต้องทุกข์กับมันต่อไปองค์ก็เลยต้องไปศึกษาไปค้นหาด้วยตนเองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าความไม่สบายใจของใจเกิดจากความอยากของใจนี่ความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข พอร่างกายไม่สามารถเป็นเครื่องมือได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เลยเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายสำหรับพวกนักบวชเขาไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขแล้วแต่เขายังไปยึดติดกับร่างกายเพราะยังไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเขาอยู่พระพุทธเจ้าก็ศึกษาดูคน้นคาหา ตัวของเราอยู่ในส่วนไหนของร่างกายค้นไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอค้นในร่างกายก็เจอแค่อาการ32เจอผมเจอขนเจอเล็บเจอฟันเจอหนังเจอเนื้ออะไรต่างๆแต่ละอย่างมันก็ไม่เป็นมันไม่ได้เป็นตัวตนแน่ผมเวลาตัดไปทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินฟันถอนออกมาหลุดไปมันก็กลายเป็นดินก็น้ําที่ถ่ายออกมาก็เป็นน้ำํำ สรุปแล้วในอาการในร่างกายทั้งร่างนี้ไม่มีตัวตนมีแต่ความคิดที่ไปคิดว่ามันเป็นตัวตนก็เลยสรุปได้ว่าเป็นความหลงของใจไปคิดไปขึ้นมาเองว่าร่างกายตนตนตัวตนที่แท้จริงก็คือใจตัวคิดตัวรู้นี่เองที่เป็นตัวที่ไปหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราพอรู้อย่างนี้ ท่านก็เลยปล่อยวางร่างกายได้ไปยึดไปติดกับของที่ไม่ใช่เป็นเราทาไมมันเป็นเพียงท่าสีดินน้ําลมไฟมันทำมาจากท่าสีดินน้าลมไฟเดี๋ยวเวลามันหยุดหายใจมันก็กลับมันก็แยกกันไปดินน้ําลมไฟก็แยกออกไปจากร่างกายไปไปก็ละทิศก็ละทางเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยท่านลมไปก่อนแล้วลมไม่เข้าแล้วมีแต่ลมออก ลมออกก็คือกลรดของร่างกายเนี่ยไฟก็ออกไปนะำร่างกายนี้จับร่างกายคนตายนี่เย็นแต่ถ้าทิ้งไว้ไม่มีการกระทําอะไรไม่มีการฉีดยาเดี๋ยวมันก็น้ําหนองน้ําเลือดน้ําอะไรที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาแต่ทิ้งไปสักพักมันก็จะเน่าจนกระทั่งมันมันก็แห้งกรอบไปแล้วก็ผุพังกายเป็นดินไปะ อารมณ์ออกไปไฟออกไปน้ำออกไปส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนที่เป็นดินต่อไปหลังจากได้พิจารณาร่างกายแล้วก็สรุปว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราจึงไม่มีความจำเป็นที่จะไปตกใจกลัวว่าเหมือนเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราจะแก่เจ็บตายไปกับมัน เม่เรารู้ว่าไม่ได้เป็นตัวเราเราเราไม่เดือดร้อนทันทีใช่ไหมเวลาเราเห็นคนอื่นเขาแก่เจ็บตายเราเดือดร้อนแทนเขาไม่เลยเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่เราะแต่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้เรายังไปคิดว่ามันเป็นเราอยู่พอมันแก่เจ็บตายเราเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่ได้มาสอนใจให้รู้ว่าร่างกายของเรากับร่างกายของคนอื่นนี้เหมือนกัน เขาแก่เจ็บตายเขาไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก็แก่เจ็บตายไม่มีตัวตนเหมือนกันเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันพอรู้อย่างนี้เข้าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันเท่านั้นเองพอปล่อยมันความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่เกิดความทุกข์เกิดจากความอยากนี่ออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอตัดความอยากได้ปั๊บ ก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราไปยุ่งกับมันไปทําไมไปทุกข์กับมันทําไมทุกข์แล้วมันเปลี่ยนแปลงความจริงได้ที่ไหนมันก็เปลี่ยนไม่ได้อยากให้มันไม่แก่มันก็แก่อยู่ดีอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายมันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนเดิมนี่เราก็ทุกข์ไปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรสู้อยากไปทุกข์ไม่ดีกว่าเลยก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปเท่านั้นเองปัญหาเกิดปล่อยได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ปฏิบัติน่ไม่ได้ทําจิตให้สงบปล่อยไม่ได้แต่ผู้ที่ทําจิตให้สงบแล้วนี่พอรู้ว่าให้บอกบอกให้ปล่อยเขาปล่อยได้ทันทีพอพระพุทธเจ้าปล่อยปล่อยร่างกายของพ่อของนั่นเองได้พอไปสอนคนอื่นสอนพระปัจจาวัคคีพอสอนเขาปับ๊บเขาก็ปล่อยได้ทันที พราะพวกนี้เขามีสมาธิกันแล้วการแสดงทำครั้งแรกพอแสดงเสร็จพระอัญญาณกนธัญะก็ปล่อยร่างกาย ท, ทันทีมีดวงตาเห็นธรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา อ, อะไรก็คือร่างกายนี่มีการเกิดมันก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาเมื่อมันเกิดมันดับมันก็ไม่ใช่เป็นของเราแล้วเมื่อมันดับมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปท่านก็ปล่อยไดย้ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยาก าให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แหละคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรามาศึกษากันถ้าเราตั้งใจศึกษาจริงๆไม่ยากหรอกศึกษาให้มันเข้าใจต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องนั่นเองส่วนใหญ่จะไปเจอแหล่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นเป็นความรู้เบื้องต้นที่มันห่างไกลจาก ความรู้ที่เราต้องการกันมันก็เลยทำให้เราเสียเวลาเรื่องหลงทางได้แต่ถ้าเราเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนแล้วเราเข้าไปศึกษาส่วนที่เป็นปัญหาของเราเราก็จะเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ธรรมะนี่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาใจของเราแก้ความทุกข์ใจความไม่สบายใจเราก็ต้องถามตัวเราว่าเราทุกข์เราไม่สบายใจกับอะไรเราก็ไปแก้กับเรื่องนั้นสิเราไปหาสาเหตุทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลความทุกข์ไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากถ้าอยากกับเรื่องไหนแล้วจะต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทันทีอยากกับคนไหนจะต้องทุกข์กับคนนั้นคนทันที แต่คนที่เราไม่อยากด้วยเราทุกข์หรือเปล่าไม่ทุกข์คนที่เราไม่รู้จักเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเขาจะดีจะชั่วเราเมันจะทุกข์กับเขาเลยแต่บางคนที่เรารู้จักคนใกล้ตัวเรานี่เนะี่ยทุกข์กับเขาตลอดเวลาอยากให้เขาดีตลอดเวลาอยากให้เขาแข็งแรงอยากให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเนี่เราต้องศึกษาเราต้องรู้จักว่าเรา ต้องต้องต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเพราะธรรมะของท่าเจ้าก็สอนหลายระดับด้วยกันระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงระดับปริญญาดังนั้นเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราต้องการความรู้ระดับไหนเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามความรู้ในระดับนั้นได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็มาศึกษาวิธีปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็ได้เอง เพราะทุกอย่างนี้ที่พระเจ้าสอนไม่ได้สอนให้เทวดาหรือไม่ได้สอนให้มนุษย์ที่วิเศษวิโสกับพวกเราสอนให้มนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราเอาไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ย a ถาวะริวะหาปุระปะริปุเรนติสากหลัง เทวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยท้ามณิจติระโสยท้าสัพพิตโยวิวาชันโต สัพพะโรโควินาสตุมะเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาพิวานนาสีริตสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธัมมวะฏานติอายุวโนสุขังภาลาง วันนี้เข้ามาเท่าไรวันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามาสามร้อยห้าสิบหกสามร้อยยี่สิบหกวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกรับฟังข้างบนนี้หกสิบคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยหกสิบแปดครับนี่ YouTube กับเ c e b o o k นี่เท่าๆกันนะนะสามรอยกว่าถ้าสัญญาณไม่ขาดนะ ตาขาดแป๊บนี่จะลดลดหทวบลงไปเลย <c oughs> แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องอนิจจังทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมมันมีตัวแปรเยอะกว่าจะส่งสัญญาณไปถึงผู้รับได้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ต้องใช้กล้องต้องใช้ซอฟแวร์ต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์ เรากาจะส่งจากเสาหนี้ไปอีกเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งไปทั่วโลกเนี่โ้โหมันผ่านหลายจุดเลยกันดัง้วโอกาสที่มันจะสะดุดมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเราจรึงพยายามจัดทางเลือกไว้หลายหลายทางติดตามได้สามทางทาง y o u t u ู e ทาง a ฟ e b o o k แล้วก็ทางเว็บไซต์มีการถ่ายทอดเสียง และุใด ถ, ถ้ามันสะดุดทางไหนก็เปลี่ยนทางได้เฟซบุ๊กสะดุดก็ลองเข้า y o u t ู b เด YouTube สะดุดก็เข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปที่พระสุชาติดอทอมแล้วก็กดวิทยุเล่นฟังเสียงได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะลดวลดปริมาณของความไม่แน่นอนให้มันน้อยลงด้วยการมีแบ็ k อัพ เดี๋ยวนี้เราทำอะไรต้องมีแบ็ k อัพกันหมดใช่ข้อมูลต่างๆที่เรามีเราต้องไปแบ็ k อัพไวบ้บนบนท้องฟ้าเนี่ยในเมฆก็เล็กในเมฆรมัเวลาเกิดเครื่องล่มหรือเป็นอะไรข้อมูลที่อยู่ในเมฆก็ยังสามารถกู้คืนได้ไหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องมีฮาร์ดดิส์อีกตัวหนึ่งไว้สำรองไ ว, ไว้เก็บข้อมูลไว้ ไม่ น, นั้นเดี๋ยวเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมามันจะไม่มีอะไรมาสำรองงั้นเราต้องสำรองมีสิ่งเดียวที่เราสำรองไม่ได้ก็คือร่างกายเราเนี่ยถ้าเราสำรองร่างกายเราได้นี่ก็คงจะดีนะแต่ร่างกายนี้เป็นอะไรก็ยังสลับเปลี่ยนร่างกายได้เพราะวันนี้เราก็จะอยู่อย่างสบายใจแต่วันนี้เราไม่สบายใจเพราะเราไม่มีเครื่องสำรองร่างกาย แต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีวิธีสำรองอวัยวะต่างๆได้หัวใจไม่ดียังเปลี่ยนได้ตับไม่ดียังเปลี่ยนได้ไตไม่ดียังเปลี่ยนได้แต่ยังต้องรอคิวเพราะว่ามันยังมีไม่มากพอแต่เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องหมดอยู่ดีงั้นมาอย่าใช้ระบบนี้ดีกว่ามาใช้ระบบของพระเจ้าดีกว่าระบบที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดดีกว่า คือใช้ระบบจิตใจอย่าใช้ระบบร่างกายถ้าใช้ระบบร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องมีวันหมดถ้าใช้ระบบจิตใจนี่ไม่มีวันหมดจิตใจนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันแก่ไม่วันเจ็บไม่มีวันตายความสุขที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจมันจะไม่หายไปมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ต้องสำรองไม่ต้องมีเครื่องสำรองงั้นมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่า แล้วาความสุขผ่านทางร่างกายกันเรามาหาความสุขทางใจโดยตรงเลยโดยการฝึกสมาธินั่งสมาธิรักษาศีลทาบุญทาทานแล้วเราก็จะได้มีความสุขเอกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถที่จะอาศัยเพิ่งได้ไปตลอดความสุขทางร่างกายมันชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องสิ้นสุดลง มีคำถาม อ, อ, อ่ะเดี๋ยวลืมบอกใครอยากจะถามก็ถามได้นะมีคำถามอะไรหรือถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อเอาคำถามทางบ้านก่อนคำถามจากคุณเบญจวรรณถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วพอเกิดความเหนื่อยท้อแท้โดยไม่ทราบสาเหตุเราก็กลับมาดูลมหายใจแต่ดูไปสักพัก มันก็ยังไม่ดับยิ่งทําให้เราเหนื่อยท้อแท้มากเข้าไปอีกเราควรทําอย่างไรเจ้าคะ่ะเราอย่าไปอ ย, า, อยากเนี่ยปัญหาที่ทําให้เราเกิดความท้อแท้คือความอยากอยากได้ผลอยากปฏิบัติเนี่ยบางทีถ้ามันมันไม่สามารถปฏิบัติได้ก็พักัชั่วข่าวก็ได้บางทีร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติตามที่เราต้องการได้เราก็ ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเอบางทีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจก็อย่าไปผลักมันเอให้มันพักฟื้นบ้างอให้มันฟื้นขึ้นมาพอมันฟื้นแล้วเราก็ค่อยผักดันมันใหม่อทุกอย่างมันมีการเสื่อมได้มีการลดลงได้กําลังวังชาทางร่างกายทางจิตใจเอบางทีมันก็ลดลงได้ แต่ขอให้เรารู้ว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวก็แล้วกันเดี๋ยวพอได้พักได้ฟื้นเดี๋ยวมันก็จะฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเราก็ลุยต่อไปเหมือนรถยนต์เนี่ยกลับไปเดี๋ยวมันก็เสียได้เสียได้ก็เอาเข้าอู่ซ่อมมันไปพอซ่อมเสร็จแล้วก็ออกมาวิ่งใหม่ได้น้ำมันหมดแล้วก็เอาเขา้าปั๊มไปเติมน้ำมันแล้วก็วิ่งต่อไป จิตใจของเราก็เหมือนกันบางเวลาน้ำมันมันก็หมดความสักความกำลังใจที่จะปฏิบัติมันหมดถ้าเราไปผลักมันน้นตอนนั้นมันก็ยิ่งเครียดใหญ่ก็อย่าไปผลักนันมันลองพักเฉยๆอยู่แบบสบายๆ ส, ส, สักวันสองวันดูอันนี้มันไม่มีกำลังจิตกำลังใจจะพุโทโธจะนั่งสมาธิจะทำอะไรก็ลองอยู่เฉยๆดูก็แล้วกัน แต่อย่าไปหาความสุขทางร่างกายากันแล้วกันมันจะกลายเป็นโทษนะแต่พักได้พักการปฏิบัติได้เหมือนนักมวยเขายัางต้องเวลาชกกันมากๆเขายัางต้องตีะระฆังให้เข้ามุมไปดื่มน้าไปพักเอากําลังก่อนการปฏิบัติก็เหมือนกับการต่อสู้กับกิเลนนั่นเองเวลาเราปฏิบัติก็เหมือนกับการขึ้นเวทีชกไปชกมาเดี๋ยวมันก็เหนื่อย เมื่อละพอมันล้าแล้วไปชกมันก็ไม่ไม่ได้ผลอย่างั้นก็ให้พักไปไปพักที่มุมก่อนไปนดิ่มนะ้ำไปพักเอาแรงก่อนพอมีแรงแล้วค่อยกลับมาทำใหม่ต่อคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนคือบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิครับออบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็คือความสุขไง นะคือบุญคำว่าบุญก็คือความสุขใจที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยหลายวิธีให้ทานเราก็เกิดความสุขใจได้รักษาศีลเราก็เกิดความสุขใจได้เช่นวันนี้กะจะไปะยิงนกตกปลาแล้วเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าเราก็รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ในวันนั้น เราก็เกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาเออวันนี้เราดีเนอะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นความสุขใจสมาธิถ้านั่งจิตแล้วสงบมันก็สุขใจถ้านั่งแล้วยังไม่สงบมันก็ถ้ายังไม่มีความสุขใจก็แสดงว่ายัางไม่ได้ผลวัดด้วยความสุขใจทั้งนั้นผลของการกระทําการปฏิบัติทำขั้นต่างๆนี้ผลก็คือความสุขใจ สุขใจนี้เราภาษาพระท่านก็เรียกว่าบุญบุญคือความสุขใจคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้ามีโอกาสเราชาวพุทธควรจะไปแสวงบุญที่สี่สังเวชนีสถานที่อินเดียหรือไม่ครับเราก็ต้องดูพ้นที่เราต้องการว่าเราไปเพื่ออะไร ถ้าเรายังไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธเจ้าอยู่การไปก็อาจจะทำให้ความเชื่อของเรามั่นคงขึ้นก็ได้พอจะได้เห็นของจริงเห็นที่ท่านเกิดเห็นที่ท่านปฏิบัติแสดงธรรมตัดสัรู้เห็นที่ท่า น, า ท, านที่ ท, ท, ที่ท่านตายาจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีตัวตนไม่ใช่นิยายาไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา เมื่อไปเห็นที่เหล่านั้นก็ความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่นี้ก็อาจจะหายไปเพราะธรรมคำสอนที่พธธระเจ้าสอนนี้ที่ไม่มั่นใจว่าเป็นคําสอนของท่านเจ้าหรือเปล่าก็จะมีความมั่นใจว่ามีจริงพระสงฆ์สาวกที่ได้เป็นสาวกของท่าเจ้าก็ต้องมีจริงมันก็จะทําให้ความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีความมั่นคงขึ้นทําให้เรา จะได้ไม่กังวลไม่ลังเลสงสัยเราจะได้ศึกษาคำสอนจริงๆจังๆสถทีแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามเพราะถ้าเป็นของจริงผลที่จะได้ก็ต้องเป็นของจริงเอแต่ถ้าเราไม่สงสัยแล้วไปบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร โดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วถ้าเราอยู่ในขั้นภาวนานั่งสมาธิปีกวิเวกอยู่ในป่าแล้วไม่ต้องไปอินเดียแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาไปก็ไม่ได้เสริมศรัทธาอะไรให้มากขึ้นไปกว่านั้นกลับเสียเวลาทำให้เราแทนที่จะเวลามาปฏิบัติกับต้องมาเดินทางมาเตรียม เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมหนังสือเดินทางเตรียมอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดจิตที่จะสงบจิตที่จะใกล้เห็นธรรมก็เลยห่างออกไปจากธรรมามั้ก่อนครูบาอาจารย์ท่านไม่มีเงินไม่มีลูกศิษย์ลูกหามีเงินพาไปอินเดียสมัยหลวงปู่มั่นนี่ไม่มีใครนิมนต์ท่านไปอินเดียแล้วทําไมท่านเป็นพระอาหารหันต์ได้ก็เพราะว่าท่านมีความเชื่อ ความเชื่อไม่ได้เกิดจากการไปอินเดียอย่างเดียวการเชื่อนี้เกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอนก็ได้ถ้าศึกษาจริงๆแล้วมีปัญญาที่จะทำให้เข้าอกเข้าใจในคำสั่งคำสอนก็เกิดศรัทธาขึ้นมาได้เมื่อมีเกิดศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงมีคุณประโยชน์กับเราจริงยึดถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ก็ไม่ต้องไปเองเดียว แย่้แล้วแต่เราว่าเราอยู่ในฐานะไหนเราไม่สามารถสร้างศรัทธาด้วยการอ่านหนังสือด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการไปกราบครูบาอาจารย์ก็ลองไปที่อินเดียดูกันแล้วกันเชิญถามกราบนามัสการท่านอาจารย์นะครับคือผมมีคำถามอยากจะสอบถามท่านอาจารย์นะครับ อถ้าเราอยากจะทําบุญในวันสําคัญของเราเองนะครับก็คือวันคล้ายวันเกิดนะครับที่จะได้ผลประโยชน์อ่าประโยชน์สูงสุดควรทําอย่างไรบ้างครับใครลนะใครได้ประโยชน์สูงสุดเร <ผม S 2> าด้วยคนนตัวตัวเราเองเนี้ยตัวเราเองครับก<ๆ>็ๆๆๆทํำมากๆเลยทําให้หมดเลยมีกี่แสนกี่ล้านก็ทําให้มันหมดเลยได้สูงสุดอ่าถึงการปฏิบัติตัวเราเอง ถ้าเราจะทำบุญมันมีหลายระดับไงถ้าจะทำบุญด้วยเงินทองก็ถ้าอยากจะได้สูงสุดก็มีเท่าไหร่ก็บริจาคไปหมดแล้วก็ไปบวชไงถึงจะเข้าไปสู่ทำบุญที่สูงกว่านั้นได้ถ้ายังไม่ไปบวชก็ไปไม่ถึงบุญที่สูงสุดได้บุญที่สูงสุดก็คือพระนิพพานถ้าอยากได้พระนิพพานก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละลูกเมีย อสระทุกอย่างไปแบบพระพุทธเจ้า น, ะนะั่นแหละแล้วก็ไปบวชไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ไปนั่งสมาธิให้จิตสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วก็จเจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจสีเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะได้นิพพานตามมาต่อไปนั่นล ะ, ะสูงสุดของาศาสนาพุทธอยู่ตรงนั้ น, นครับขอบคุณครับ ได้คำตอบแล้วนะเอาเอาอันไหนดีแต่แล้วนก็สึกยากทั้งนั้นเลยทั้งโลกยิ่งยูงั้นอย่าไปหวังสูงสุดแล้ว เ, เอาแก้พอหอมปากหอมออก่อน บางทีความอยากเหล่านี้กับความจริงมันไม่มันไม่ตรงกันความอยากกับความสามารถของเรารู้สึกมันห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินแะ่ความอยากนี้ไปถึงสวรรค์นู่นถึงนิพพานแต่ความจริงยังเดินบนดินอยู่ต่อไปอกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการตาดัดการละกิเลส ด, ด้วยสติกับปัญญาเจ้าค่ะ อ ย, อย่างกรณีที่หนูละเรื่องการอย่างเช่นแต่งตัวเจลลี่ของใช้พวกนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นการตัดจากที่ที่ใช้สติหรือว่าเป็นการตัดจากปัญญาเจ้าเจ้าค่ะก็เป็นปัญญาระดับต้นๆคือยังไม่ถึงรากโคนของความอยากออคือเราได้ฟังธรรมแล้วเราใช้เหตุผลตามที่เราได้ยินได้ฟังมา มันก็เห็นว่าของพวกนี้มันไร้สาระไล้ประโยชน์นะแต่ลิกเกกิเลสมันยังทีมันไม่ยอมเชื่อถ้าวันดีคืนดีเกิดใครเอาของมาให้เราเรายังอาจจะลังเลว่าจะรับดีหรือไม่ดีเหมือนคนอาจจะให้ซอยเพชรมาเป็นมรดกของพ่อของแม่ถ่ายทอดมาให้เราก็ยังอยากจะได้หรือเปล่าถ้ายังอยากได้ก็แสดงว่าเราก็ยังไม่ได้ตัดมัน แต่ถ้าเรารับมาแล้วก็เอาไปทำบุญทำทานยกให้คนอื่นไปไม่ต้องการเหมือนอย่างนี้ก็แสดงว่า เ, าเราเราตัดมันได้แต่จะตัดมันได้จริงๆนี่เราต้องจิตเราต้องอยู่ในระดับของสมาธิคือเราต้องพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากการได้ของสวยๆงามๆอมพอเราได้ความสุขที่ดีกว่าจากการได้ของสวยๆงามๆเราก็ไม่ต้องการของสวยๆงามๆ เพราะมันสู้ความสุขที่เราได้จากความสงบไม่ได้อันนั้นมันก็จะตัดได้อย่างแท้จริงแต่ยังไม่ได้ความสุขในละจากความสงบนี้มันยังสู้กันอยู่บางเวลาก็บางเวลาก็มีปัญญาก็ตัดได้บางเวลาเผลอไปคิดว่ามันสวยนะอย่างงั้นอย่างนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวก็กิเลสก็หลอกเราได้ ก็ตัดท้าก็ก็ทำแบบนี้ไปก่อนจนกว่าจะได้ดที่สูงตัดเท่าที่เราทำได้ไปก่อนแล้วก็ถ้ามันพอเจอข้อสอบแล้สอบต่อก็แสดงว่ากําลังเรายังมีไม่มากพอที่จะตัดอย่างถาวรนะจะตัดอย่างถาวร น, นี่ต้องมีสมาธิก่อนพอมีสมาธิแล้วทีนี้ก็ต้องมีปัญญาที่ไม่ไม่ลืม คือปัญญามีอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรก็เห็นเป็นไตรักไปหมดเห็นเป็นทุกข์ไปหมดอตอนนั้นอะมันถึงยังไม่อยากได้อะไรอืแต่ยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่นี่แสดงว่าปัญญายังไม่ทันยังหลงอยู่เมื่อเดนที่แล้วคุณแม่เพิ่งให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้มาเซตหนึ่งอะ <laughs> หนูหนูหนูหนูรักมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่า สวยหรือว่าอะไรแต่ว่าวันนั้นตอนต้องไปงานสบคุณแม่ออก็ใส่ขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าคุณแม่จะได้ดีใจแต่ตอนใส่ก็นึกจะใส่ชิ้นไหนดีเพราะใส่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เราเพราะว่าเหมือนกับไม่ชินกับการใส่มาเป็นแบบเป็นปีแล้วอย่า ง, งเงี้ยเจ้าค่ะก็ทำไม่เราไม่ใส่เะก็ใอ่ก็เลยเลือกใส่เป็นหนึ่งชิ้นให้คุณแม่สลายใจแต่ว่าปกติก็ไม่ไม่ไม่ได้ใส่แต่ว่าหนูก็รับมาแต่ จะใจแปลว่ายังอยากได้แต่ว่าไม่ได้เห็นประโยชน์ของการใส่อย่างนั้นใช่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะยังอยากได้ของอยู่ถึงได้รับมาแต่ว่ า, าแต่ว่าไม่เห็นประโยชน์ของการใช้แต่ใช่เพื่อคนอื่นเออหยิบมาแหวนทีสร้อยทีต่างหูทีหาวนไม่รู้จะใส่อันไหนเพราะรู้สึกใส่แล้วมันมันแปลกไปหมดเพราะว่าไม่ได้ใช้ามาเป็นปีแต่ในที่สุด มันนั้นน่าจะตัดสินใจใส่ไปชิ้นนึงเพราะว่าต้องไปกับคุณแม่เป็นงานศพแล้วก็กลับมาก็ก็ก็รไม่ได้แต่อีกอีกเลยก็ถ้าเราไม่ไปมีอะไรกับมันก็ก็ก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเหตุการณ์มันบังคับให้เราใส่เราก็คิดว่าเป็นอ่าเป็นเครื่องสำอางที่เราเป็นเครื่องที่เราจะต้องใส่ไปกับภารกิจการงานนั้นก็ไม่เป็นปัญหา ตับได้ถ้าเราไม่ไปคิดว่าเราใส่แล้วจะทำให้เรามีสักมีสีคนจะได้ไม่ดูถูกดูแคลนเราหรือใส่เพื่อส่งเสริมใ ห, ให้สวยให้สวยงามห้ืออะไทำนองนั้นแต่ทำไปเพราะกติกาของสังคมเขายังมีการบังคับอยู่ถ้าทำตามเหตุการณ์ไม่ได้ทำตามอารมณ์ความอยากก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แล้วก็อีกอย่างก็คือยังโวงยังโขงมันอยู่หรือเปล่าอันนั้นก็ยังเป็นกิเลสเหมือนกันอจะยกให้คนอื่นไปเลยนี่ยกได้หรือเปล่าถ้าหายไปแล้วรู้สึกเสียใจหรือเปล่าเสียดายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นกิเลสอยู่ ถ้ามีความรู้สึกต่อมันถ้าเห็นว่าเป็นเหมือนก้อนหินก้อนกรวดข้างถนนนี่มันก็จะไม่รู้สึกเสียดายใช่ไหมแต่ให้เห็นว่ามันเป็นเพชรอยู่มันก็ยังเสียดายอยู่ทั้งทีทง่ทั้งที่มันก็เป็นก้อนหินเหมือนกับก้อนหินก้อนกรวดเพียงแต่เราลองหลงเชื่อตามตามสมมุตินิยมอยู่เขาว่าเป็นเพชรมีราคาเราก็เลยยังเสียดายอยู่ ถ้ามีราคาก็ไปทำประโยชน์สิเก็บไว้เฉยๆทำไมไปทำบุญทำทานสิมีราคาไปแปลงเป็นเงินทองช่วยเหลือสังคมไปอยากจะช่วยใครก็ได้ช่วยแม่ก็ได้ซื้อแล้วก็ซื้อของให้แม่หรือยกกันให้แม่คืนไปก็ได้ก็แล้วแต่แต่เราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปมีมันดีกว่ามีแล้วเป็นภาระทางจิตใจ ต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็เวลาเสฟเสียไปก็อาจจะเสียดดยแทนที่จะมีความสุขจากการสูญเสียกับมีความทุกจากการสูญเสียถ้าเราตั้งใจจะสูญเสียเราจะมีความสุขเอ่นเราตั้งใจเอาไปทำบุญนี่ก็เป็นการตั้งใจที่จะจากมันแต่จากยังมีความสุขใช่ เว้าเราทาบุญแล้วเราเสียดายเงินที่เราทำไม่เสียดายก็ไม่ีความสุขการมันจากแบบนั้นไม่ดีกว่า่ะให้มันจากแบบที่ทำให้เราเสียดายเสียใจหรือจากแบบที่ด้วยอยู่ก็อยู่แบบทุกข์กังวลกับมันต้องคอยเฝ้าคอยดูแลรักษาอันนี้มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเราถ้ามันไม่มีอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ก็จะเก็บไว้เฉยๆก็ได้ ไม่กังวลกับมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะหายก็หายเก็บเดี๋ยวไว้เผื่อไว้จำเป็นที่จะต้องไปงานศพไปงานอะไรก็ใส่ไปตาม เ, าเป็นเหมือนเครื่องแบบเองกันให้คิดว่าเป็นเหมือนเครื่องแบบไปเป็นเหมือนเพชปรปลอมไปคิดว่ามันเพชปรปลอมดมูเพชปรปลอมกับเพชรจริงมันก็หินเหมือนกันใช่ไหมกล่าวพูดเจ้าค่ะ ค ำ, คำถามจากขั้นบนนี้นะครับมีสองคำถามคำถามแรกเวลาทําบุญให้คนตายเรามักถวายของอะไรที่คนตายชอบแต่ก่อนนะครับ อ, อแต่แล้วถ้าเป็นกับเด็กทารกเด็กเล็กๆควรทําอย่างไรครับก็เป็นความเชื่อของเราทาแบบไหนก็ได้ความจริงแล้วเขาไม่ได้กินของที่เขาชอบหรอกเพราะว่าเราแปลงของที่เขาชอบมาเป็นบุญ มีความสุขใจเขารับได้คือความสุขทางใจที่เราได้สร้างขึ้นด้วยการทาบุญด้วยการเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไปพอเราได้เสียสละเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจเหมือนวันนี้ญาติโยมมาทำบุญแล้วกเกิดความอิ่มใจอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราจะส่งไปไม่ใช่ของที่มาถวายพระของพวกนี้ส่งไปไม่ได้ แล้วเขาก็รับไม่ได้สิ่งที่เขารับได้ก็คือความสุขใจอันนี้เราแบ่งได้คำถามที่สองโยมทำงานในโรงพยาบาลไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติภาวนาเพราะต้องเข้าเวรควรจะทำการปฏิบัติอย่างไรครับควรกําหนดพุทโธในช่วงเวลาที่เราว่างหรือต้องทำอย่างไรครับการปฏิบัติ ที่จะให้ได้ผลจริงๆนี่มันต้องมีเวลาว่างถ้าไม่มีเวลาว่างนี่มันปฏิบัติจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ก็ทำได้ไม่ห้ามแต่ยากเพราะว่าเวลาเราทางานเราต้องใช้ความคิดต่างๆการปฏิบัตินี่เพื่อหยุดความคิดมันก็เลยสวนทางกันเหมือนกับต้องการจะเอารถเข้าอู่กับต้องเอารถไปทำงานนี่ ถ้าคุณยังต้องทํางานอยู่คนก็ต้องขับรถไปทํางานคนก็ไม่มีเวลาเอารถเข้าอู่ใช่ไหมถ้าคุณต้องการที่จะซ่อมรถคุณก็ต้องหยุดทํางานเอารถเข้าอู่ไปอจิตใจก็เหมือนกันแต่รถเรายังเปลี่ยนได้ใช่ไหมเดี๋ยวย่างยืมรถคนอื่นเช่ารถคนอื่นใช้แทนกันได้แต่จิตใจของเรานี่เราเอาจิตใจคนอื่นมาใช้แทนไม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะทําจิตใจให้สงบ สร้างความสุขทางใจขึ้นมาเราก็ต้องหยุดใช้ใช้จิตใจในการทำงานใช้ในการคิดเรื่องราวต่างๆเราต้องหยุดความคิดทำจิตใจให้นิ่งงเฉะั้นการปฏิบัติเื่ให้ได้ผลจริงๆนี่จำเป็นที่จะต้องมีเวลาว่างก็เรามีวันหยุดทุกทุกประเทศก็มีหยุดต้องสองวันเอาเวลาวันหยุดไปทำอะไรกันหมดสมัยโบราณวันหยุดก็คือวันมาปฏิบัติธรรมสาหรับชาวพุทธเรานี้ วันหยุดคือวันเข้าวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาถือศีลแปดมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกันก็มีวันหยุดเนี่ยทําไมไม่มาปฏิบัติในวันที่มีเวลาะจะไปปฏิบัติไอ้วันที่ไม่มีเวลาทําไมเอห็นวันที่ไม่มีเวลาอย่าไปพยายามปฏิบัติเลยมันไม่ค่อยได้ผลนะมาปฏิบัติวันที่เราไม่ต้องทํางานดีกว่า ไอยู่วัดกันไปอยู่ที่สงบไม่มีแล้วก็มาพยายามหยุดความคิดกันอ่าต่อไปเจิ น, ก, น ก, การนมัสการนะเจ้าค่ะคือถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจอ่ะค่ะคือความไม่สบายใจก็จะวนอยู่กับเราตลอดอะคะ่ะอหนูก็พยายามแบบลุกมาสมาธิอย้ค่ะแต่มันก็พุโทโธแล้วก็ยังคิดนะคะก็พุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดพุดโทโธจะต้องสู้กับความคิดไป ถ้าเราไม่รู้จักวิธีทางปัญญาก็ต้องใช้วิธีของสติสติก็คือพุโทโธเนี่ยพยายามท่องพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปแทนก็ได้ หรือเป็นเพราะเรายังปฏิบัติน้อยใช่ปะคะก็พุทโธน้อยไงอพุทโธได้สองสามครั้ก็หยุดแล้วอ่ายมันคิดยอมแพ้มันต้องสู้กันมันเป็นเหมือนจักกรเยาะกันแล้วมันจะสั้นลงใช่ไหมครับทุเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเองถ้าเราอยู่กับพุทโธไปแบบเราถ้าเราไม่ยอมหยุดพุทโธเดี๋ยวมันความคิดมันก็ต้องหยุดไปเองที่เราไปหยุดก่อนหยุดพุทโธก่อนเหมือนรถที่เราจะให้มันหยุดเนี่ยเราไปเหยียบเบรกแป๊บเดียวแล้วก็ถอนเบรกมันก็ยังไหลอยู่ะ ยังวิ่งอยู่ก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดน่นะนะถึงจะปล่อยเบรกได้นั่งไปสักแล้วมันแบบไม่ต้องนั่งก็ได้ลุกขึ้นมาเดินก็ได้ยืนก็ได้ไไไเวลาจงกมรมได้ทำอะไรก็พุโทโธไป<ะ>เข้าห้องน้ำก็พุโทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไป<ะ>อย่าให้มันคิดเนี่ยไม่ต้องไปนั่งหรอกเพราะเรายังไม่มีกาลังที่จะนั่งได้ เพียแต่ให้มันสร้างพุโทโธขึ้นมาเพื่อให้มันซุกควบคุมความคิดให้ได้ก่อนออถึงแม้ไม่ได้เต็มร้อยพอได้สักห้าสิบเนยมันจะรู้สึกเบาขึ้นมาแล้วเอานะพยายามตอนนี้ต้องพยายามสู้ด้วยพุโทโธพุโทโธพุทโธไปแล้วเบื่อพุโทโธก็เปลี่ยนพุทธทางสระนังสังขฉามิบ้างก็ได้อิติปิโสภักขวาบ้างก็ได้เหมือนเปลี่ยนเพลงอ่ะฟังเพลงนี้เบื่อก็อีกเพลงนึงก็ได้เอ ให้ใจมันมีอะไรทําไว้มันจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆปัญหาคือเรามีความพยายามน้อยพอพุโทโธได้สักสองสามคำหยุดแล้วะเราจะให้มันเกิดเถอะต้องพุโทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราใช้ปัญญาคิดเป็นก็ลองถามตัวเองเราไม่สบายใจกับใครกับเรื่องอะไรถ้าไม่สบายใจกับคนก็ถามดูว่าแล้วเราไปทําอะไรเขาได้หรือเปล่า เราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ไหนก็ เ, เป็นอย่างนั้นเราจะไปเปลี่ยนเขาได้หรือไม่เราอยากด <Este. c oughs> ้วยใช่ไหมถ้าเราไม่ไปอยากเราก็จะเป็นยังไงเราก็ไม่เราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหม <c oughs> ที่เราเดือดร้อนเพราะเราอยากให้เขาเป็นตามความอยากของเราพเราก็ไม่เป็นตามความอยากของเราเราก็ไม่สบายใจ <c oughs> เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นกล้วยจะให้เขามาเป็นส้มได้อย่างไงก็ปล่อยเขาเป็นกล้วยไปสิเราชอบกินเหล้าก็ปล่อยก็กินเหล้าไปเออ เมื่อบอกเขาแล้วว่ากินแล้วไม่ดีเขาไม่ยอมหยุดจะทำยังไงก็ต้องปล่อยเขากินไปแล้วใครเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเวลาเขากินแล้วเขาป่วยใครป่วยเขาป่วยเราไม่ได้ป่วยแล้วถ้าเขาบากเขาก็คือบากไม่ใช่เราใช่ไมใช่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเพียงแต่ว่าเราไปอาศัยเขาเราเลยกลัวเขาเดี๋ยวเราอาศัยเขาไม่ได้ทั้งเอ ว่เราไปอาศัยเขาเป็นที่พึ่งเราก็เลยกลัวที่พึ่งของเราจะต่อไปเราพึ่งไม่ได้เราก็เลยไม่อยากให้เขาทําสิ่งที่เขาทาอยู่ท่านั้นเองแต่เราก็ต้องยอมนะ ว, ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้แล้วเราก็ควรคิดหาที่พึ่งใหม่ดีกว่าพึ่งใครไม่ดีเท่ากับพึ่งตัวเราเองอแล้วเราต่อไปเราจะได้ไม่ค่อยวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆ ที่เราวุ่นวายทั้งวันนี่เพราะเราไปพึ่งเขาแล้วเราก็กลัวว่าจะพึ่งเขาไม่ได้แต่ถ้าเราหัดพึ่งตัวเราเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นกับสิ่งอื่นเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งอะไรอถูกใช่ค่ะถ้าใช้สติมันก็แค่ได้ใช้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ ก, กลับไปมีเรื่องกับคนนั้นใหม่คนนี้ใหม่เอเพราะเรายังต้องพึ่งเขาอยู่ ถ้าเราไม่พึ่งเขาแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องใช้สติเพราะเราไม่ไปกังวลกับเขาแล้วไม่ไปอยากกับเขาแล้วเขาจะเป็นจะดีจะชั่วเขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาแล้วเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วอ<ม>อันนี้เป็นแก้ปัญหาแบบแบบถาวรถ้าแก้แบบสติก็เหมือนกับาแก้ชั่วข่าว<ม>อปัสเตอร์ไปปิดไว้<ม><ม>เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนพาสเตอร์ใหม่ แล้วเดี๋ย ว, ยวมีแพลอันใหม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะเราไม่พึ่งคนนี้เดี๋ยวเขาไปพึ่งอีกคนหนึ่งไปพึ่งอีกสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเราเลิกพึ่งอะไรต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องมีความกังวลกับใครต่อไปอ่ะต่อไปคําถามต่อไปจากคุณเคอาโยมมีความรู้สึกว่าเวลาที่จะทําบุญมักจะมีคนใกล้ตัวเป็นอุปสรรคเสมอ โดยที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นการทำให้โยมมีความขุนในใจต้องมุ่งมั่นยิ่งขึ้นไปอีกคนที่เป็นอุปสรรคโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้เขาจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นถ้าเขาไม่ได้มาทำผิดศีลมันก็ไม่บาปถ้าเขาไม่ได้มาฆ่าเรามาเอาทรัพย์ของเราไป เขาไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีเขาไม่ได้โกหกหลอกลวงเขาก็ไม่บาปนะแต่การอยู่ร่วมกันมันก็อาจจะเป็ น, อ, ปนอุปสรรคหรือเป็นเป็นสิ่งที่สนับสนุนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าการกระทาของเราตรงกันหรือเปล่าถ้าทาตรงกันก็สนับสนุนกันถ้าอยากไปเที่ยวเขาอยากไปเที่ยวเราอยากไปเที่ยวมันก็ไปด้วยกันได้ ถ้าเราอยากไปเที่ยวเขาอยากจะอยู่บ้านมันก็กลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาได้นล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการที่อยู่ร่วมกับใครมันก็บางเวลาก็เป็นอุปสรรคบางเวลามันก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันเราก็ต้องยอมรับสภาพไปถ้าเราไม่ต้องการมีอุปสรรคก็อยู่คนเดียวสิใช่ไหอคำถามต่อไปจากคุณเอ บางครั้งเราดูลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดอาการอึดอัดบางครั้งหายใจอยู่ปกติก็เกิดอาการแน่นขึ้นมามีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็ลองเปลี่ยนมาใช้พุทโธพุทโธไปแสดงว่าสติเรามีกำลังไม่พอที่จะดูลมก็มาเปลี่ยนเป็นพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ไม่ต้องออกเสียงสวดไปภายในใจพุทโธไปภายในใจ หรือถ้ายังมีปัญหาอยู่ก็ลองเปิดธรรมะฟังไปก่อนก็ได้อันนี้มันก็จะเป็นการลดระดับของการสร้างสติขึ้นมาจากยากให้มันลงมาง่ายขึ้นการดูลมนี่มันยากต้องใช้สติมากถ้าใช้พุทโธมันก็ง่ายขึ้นถ้าสวมดมนต์มันก็ยิ่งง่ายขึ้นถ้าฟังธรรมมันก็ยิ่งง่ายขึ้น แล้วก็ต้องลองเปลี่ยนระดับเหมือนขับรถใช่ไหมรถที่มีเกียร์ก็ต้องคอยเปลี่ยนอยู่ด้วยบางทีถนนมันวิ่งเร็วไม่ได้ก็ต้องใช้เกียร์ต่ําพอถนนว่างวิ่งเร็วได้ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์สูงมันจะได้วิ่งเร็วได้จิตเราก็เหมือนกันบางทีมันต้องใช้เกียร์ต่ําบางทีมันต้องใช้เกียร์สูงเราก็สังเกตดูเอา คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เราเก็บศพสัตว์ที่ตายบนถนนไปฝังถือเป็นการก่อกรรมต่อการหรือเป็นการทําบุญครับอ๋อเป็นการกําจัดสิ่งสกปรกกําจัดเศษขยะดีๆนี่เองไม่ได้เป็นมันก็อาจจะเป็นบุญเคิเป็นการกระทําที่เสียสละรักษาบ้านเมืองให้มันสะอาดนะท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นบุญอะไรมากมายไปกว่านั้น เหมือนกับเราเก็บขวดเก็บขยะตามข้างถนนเพื่อให้บ้านเมืองเราดูสะอาดจา้าดูแล้วก็มีความสุขเนี่ยมันก็เป็นบุญคือการเสียสละทำทาประโยชน์ให้กับส่วนรวมเรียกว่าจิตอาสาเอาคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณสุชาดากรณีที่นั่งสมาธิได้สักระยะชอบแวบไปคิดเรื่องอื่น ต้องทำอย่างไรดีครับให้เราจดจ่ออยู่ที่เดิมกรมาหาลมก็ม า, าพุโทโธถ้ามันไปแสดงว่าเราไม่มีอะไรดึงมันไว้แล้วก็ต้องเอาพุโทโธหรือดูลมเป็นการดึงมันกลับมาใหม่เาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาธุ Turn.